6.10 การทำให้กิเลสของตนและของผู้อื่นเกิดขึ้นเป็นบาปวงเล็บเปิดสองมีนาคม2551นาในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสี่วงเล็บปิดครั้งหนึ่งมีนักแสดงดังมากเลยชื่อตาละบุตรตาละบุตรไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครูบาอาจารย์ในทางนาตสินการดนตรีการละครสอนข้าพระองค์บอกว่าเราไปเล่นละครทาให้คนมีความสุขเพราะฉะนั้นเราจะได้บุญ ตายแล้วจะขึ้นสวรรค์ชั้นหาสิตาในวงเล็บหาสิตาแปลว่าเบิกบานร่าเริงใจจริงหรือไม่พระเจ้าค่ะถามครั้งที่หนึ่งพระพุทธเจ้าเงียบก็ถามครั้งที่สองเหมือนเดิมนะท่านก็เงียบอีกถามครั้งที่สามท่านก็เลยตอบว่าเธอเป็นนักร้องนักแสดงไปทํากิเลสของตัวเองซึ่งยังไม่มีให้มีขึ้นมาที่มีแล้วรุนแรงขึ้นอย่างเราเขียนบทหรือเราเล่นเองใช่ไหมมันต้องเล่าอารมณ์ตัวเองขึ้นมา อารมณ์เราจะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเดี๋ยวมีราคะเดี๋ยวมีโทสะอารมณ์ของเราก็หวือหวาขึ้นมาแล้วก็คนที่ดูเรานะเดี๋ยวก็มีราคะเดี๋ยวก็มีโทสะเดี๋ยวก็มีโมหะท่านบอกว่าไปทำกิเลส ข, ของตนและของผู้อื่นที่ยังไม่เกิดให้เกิดและที่เกิดแล้วรุนแรงขึ้นเมื่อเธอตายไปเธอจะตกนรกชื่อหาสิตาตาละบุตรได้ฟังนะร้องไห้เลยแล้วท่านก็เลยออกบวชบวชแล้วได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง